เวลาเราจะไปไหนมาไหนไม่ว่าใกลหรือไกลนัก็ต้องใช้แสงสว่างถ้าเป็นที่มืด ก, ก็ต้องมีไฟฉายในสมนองเด็กกันเนี่ยเราจะทำอะไรได้ถูกต้องมันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันเหมือนกับไฟฉายที่จะช่วย บอกทางให้เราเดินทางได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถึงที่หมายจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีความสึกตัวนะถึงจะทำได้ถูกต้องถูกสามารถจะลำดับการกระทำได้อย่างถูกต้อ ง, องเช่นเวลาเราล้างจานเนี่ยมีจานมีชามชามีช้อนมีซ่อม เราล้างเสร็จนี่เราก็ต้องวางจานวางชามช้อนส้อมนะเป็นที่ๆแต่ถ้าเกิดว่าใจเราลอยนะตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะพร่องไปแล้วก็ไม่ถึงกับว่าเป็นศูนย์ะถ้าเป็นศูนย์เนี่ยต้องเป็นพวกที่คนที่สลบหรือว่าโดนลมยาถ้าถึงแม้ว่าจะทํางานทําการอะไรได้ แต่ว่าความรู้สึกตัวมันไม่เต็มรอบหรือว่าพร้อมบริบูรณ์เพราะว่าใจลอยถึงตอนนั้นก็อาจจะวางจานวางชามวางช้อนซ่อมสับสนปนเปยก็ได้ความรู้สึกตัวนี่พระเจ้าได้ให้ความสำคัญที่เดียวเนะพระองค์เคยตัดว่า เมื่อมีความสึกตัวเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นส่วนอกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็จะดับไปความสึกตัวนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งเป็นไปเพื่อความมั่นคงตั้งมั่นนะไม่เลือเล่อนลรือนไม่อันตรทานของพระสัตธรรมพระสัตธรรมก็คือสัจธรรมหรือคําสอน ฟังดูแล้วนี่ก็รู้สึกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากนะความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นนะไม่เลอเลือ น, อนไม่อันตรทานของพระศาส ร, รรมันเหมือ น, นกับว่าเราจะรับสายพระศาสนาให้มันคงได้เนี่ยไม่ใช่แค่สร้างวัดสร้างวาหรือว่าอุดหนุนพระให้มาบวชกันมากมากนะ ที่สำคัญคือเราต้องอสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยเนี่ยมันถึงจะเป็นหลักประกันนะของการสืบต่อศา ส, สนาอย่างแท้จริงนันความรู้สึกตัวมันเป็นพื้นฐานของการทำความดีคนเราถ้าเพียงแค่ไม่มีความรู้สึกตัวเสร็จแล้วเนี่ยแค่จะรักษาศีลห้าให้ครบนี่ก็ยากนะ เพราะว่าอาจจะถูกครอบงำด้วยความโกรธคนวะามโกรธมากๆนี่ก็อาจจะไปทำร้ายนะคนหรือว่าสัตว์ให้เดือดร้อนนะถึงตายได้นะผิดศีลข้อที่หนึ่งือจะทำเพราะความโลภ ก, ก็ได้ถูกความโลภครอบงนก็รักขโมย ถ้าเป็นราคาก็สามารถจะไปประพฤติผิดในทางประเวณีได้หรือว่าถ้าถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวอยากจะทำร้ายใครอยากจะได้ประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นของตัวก็อาจะโกหกเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ได้ไ ว, ไว้ขออกก็เหมืนนั คนเราถ้ามีความสึกตัวแล้วเนี่ยนะการทำความดีก็เป็นเรื่องยากมันก็จะไหลทะล็กหรือถลายไปสู่ความชั่วนะการผิดศีลการเบ็ดเบียนแม้แต่เมื่อตั้งใจทาความดีแล้วเนี่ยนะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็ต้องมีความสึกตัว เ, เป็นพื้นฐานรองรับเพราะว่าถ้าไม่มีความสึกตัวแล้ว ทางศีลก็ด้วยความดีที่ทําก็อาจจะไม่เกิดปรว่าเท่าไรหร่คือถ้าจะทําทบุญแล้วไ ม, ม่มันก็ไม่เกิดบุญที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากจะทําบุญใส่บาตรนะแต่เห็นแถวยาวนะคนใส่บาตนี่มากันเยอะนะย า, นนยาวเป็นแถวยาวมาเป็นคนมาเป็นสิบเป็นร้อย เราใส่บาตรถ้ามีความสุขตัวก็ยู่สุดมุด ห, นะหิดนะโมโหที่คนมากันมากมายแล้วก็จะเผลอไปแซงคิวเขานะเดี๋ยวทำความดีแต่ว่าทำสิ่งที่ผิดนะไปแซงคิวเขาเพราะว่าอยากจ ะ, ะใส่บาตรได้เร็ ว, รวอันนี้มันก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่แล้วเพราะว่าติตใจไม่ผ่องใสนะ จิตไม่ผ่องใสใจไ ม, ไม่เบิกบานเนี่ยการบุญที่จะได้จากการให้ทานมันก็พร่องไปหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพนะทอดผ้าป่าทอดกระถิ้นแต่ว่าระหว่างที่นะทำพิธีก็หนุดหนิดขัดเคื่องนะช่างภาพไม่มาถ่ายรูปนะหายไปไหนไม่มา ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันความสุขตัวมันไม่มีเลยนะเพราะว่าถูกคร่อบงาด้วยความคุ่นเครืองนะโทสะพอจิตใจไม่ผ่องใสเนี่ยเศร้าหมองหรือว่ารุ่มร้อนเนี่ยมันก็ได้บุญน้อ ย, ยบางทีก็อาจจะรู้สึกเสียใจเสียหน้าว่ากองกระถิ่งกองพระป่าของเรามันน้อ ย, ยกองคนอื่นเขาเยอะกว่า อันนี้มันเกิดขึ้นได้นะเมื่อไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลเข้ามาครอบงำจิตก็เศร้าหมองกนะุศลหรือบุญที่เกิดขึ้นก็น้อยไม่ใช่แต่ประโยชน์ต น, นทันทีจะได้น้อยนะประโยชน์ท่านก็อาจจะไม่สาเร็จได้หรือว่าเกิดปัญหานะเคยมีโยมเนี่ยจะขับรถไปส่งพระนิมนต์ท่านมาฉัน ชั้นเพงที่บ้านแล้วก็ขากลับก็จะไปส่งท่านที่วัดพระก็นั่งเบาหลางโยงก็ขับรถขับไปได้สักพักเนี่ยจู่คนขับก็เลี้ยวซ้ายพระก็แปลกใจเพราะว่าทางกลับวันเนี่ัต้องตรงไปเลยขากโยมจะจะพาไปไหน โยมก็ตอบว่าก็จะพาท่านกลับวัดยังไงคะอ่าทำไมแล้วทาไมไปทางนี้อ่ะว่ดที่มันต้องตรงไปนะพอทักอย่างนี้เข้าคนขับรถก็โยมเขาก็ได้สติขึ้นมาเลยเพราะว่าทางที่เขาเลี้ยวเนี่ยมันเป็นทางกลับบ้านเขาเพราะคุ้นเคยกับทางนั้นนะพอถึงสามแยกก็เลี้ยวซ้ายเลยนะ อันนี้เรียกว่าทำไปเพราะความเคยชินตอนนั้นเนี่ยลืมตัวไปแล้วไม่รู้ตัวว่าไม่รู้สึกตัวนะก็เลยการที่จะพาขับรถพาพระส่งวัดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเสียเวลาไปแทนที่จะพาท่านถึงวัดเร็วๆนะก็ไปเจอรถติดอีกนะกว่าจะเลีเ้ยวรถอยู่เทินกลับมาก็โโน่นอีกนาน ทัานทำไรเนี่ยแม้แต่การทําความดีการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลรวนทั้งการภ า, าวนาด้วยนี่ก็ต้องมีความสุขโต เ, เป็นพื้นฐานทีเดียวถ้าไม่มีความสุตโตแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้หรือว่าไม่สามารถจะสำเร็จประโยชน์ในะอย่างที่ตั้งใจไว้ความสุตัวเนี่ยมัน เกิดจากอะไรนะก็เกิดจากการที่จิตเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ก็เกิดความสุดตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันมันเป็นเรื่องที่เอไม่ใช่บงังคับเอาได้นะไม่เหมือนกับการที่ไปไปไปเพ่งไปบังคับจิตเนี่ยเราจะไปเพ่งไปบังคับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดสมาธิอันนี้ก็อาจจะทําได้นะ แต่ว่าความสุดตัวนี้ไปบังคับไม่ได้แต่ว่าอาศัยตัวช่วยได้นะเช่นมีสติอะไรทำให้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะก็คือความคิดนะความฟุ้งซ่านนะที่ทำให้จิตเนี่ยไนะหลไหลไปอดีตบ้างนะลอยไปอนาคตบ้าง นอกจากความคิดแล้วก็อารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็เป็นตัวการที่ทําให้ความรสึกตัวนี้หมดไปโดยเพราะเวลาส่งจิตออกนอกเนี่ยหลายแปดตีลอยแปดนาคนเนี่ยเดี๋ยวมก็จมอยู่ในอารมณ์พอจมอยู่ในอารมณ์แล้วก็ตอนนี้ทําอะไรก็ทําไปเพราะความเผลชินหรือมิเช่นนั้นเนี่ยก็ถูกอารมณ์นั่นแหละนะไปกําหนดบังคับให้ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เช่นเวลาโกรธนะถ้า เป็นอารมณ์โกรธนะก็อาจจะพูดต่อว่าด่าทอรหรือว่าทำร้ายข้าของถ้าเป็นความเศร้าความหดหู่ก็อาจจะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับการที่สติการที่ความคิด การที่จิตเนี่ยมันจมอยู่ในความคิดและอารมณ์นะหรือเราที่เรียกลงว่าความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะสิ่งที่จะช่วยให้จิตเนี่ยมันหลุดออกมาได้นะจากความฟุ้งซ่านและอารมณ์นะที่รบกวนใจเนี่ยก็คือสติสติมันทําให้รู้ทันในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็เมื่อรู้ทันแล้วเนี่ย สติก็จะพาจิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิต ก, กลับอยู่กับเนกับตัวก็เกิดความสึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอาจจะไปบังคับให้มีความสึกตัวนี่ยากนะแต่ว่าถ้ามีสติแล้วเนี่ยความสึกตัวก็จะเกิดขึ้นได้เองคนเราเนี่ยไม่รู้สึกตัวก็เพราะว่าลืม ลืมกายลืมใจนถ้าเราลืมกายลืมใจเมื่อไหร่เนี่ยนะให้ความฝึกตัวก็จะพร่องแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะความหมายหนึ่งของสติคือไม่ลืมนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ใกล้กันติดกันเลยนะสัมปชัญญะสัม ป, มปชัญญะ แปลงง่าว่าไม่หลงไม่หลงสติช่วยทำให้ระลึกได้สัมปชัช ญ, ญ์ช่วยทำให้รู้ตัวนะสติคือความระลึกได้สัมปชัช ญ, ญ์คือความรู้ตัวรนะู้ตัวนี้ก็ก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละมันไปได้วยกันนะสติกับสัมปชัชญญนะเมื่อเราระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะ ขาะที่ใจลอยนยใจลอยหลงไปนึกอะไรเลือเล่อเปอยไม่รู้นะนึกขึ้นมาได้ว่าเออนี่เรากาลังขับรถอยู่นะพอเราลึกขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยจิตมันกลับมาเลยกลับมาอยู่กับการขับรถรือขณะที่เรากาลังสวดมนต์อยู่ลวปล่อยใจลอยไปนึกขึ้นมาได้ว่าเรากาลังสวดมนนะต์นะและเท่านี้แหละนะจิตมันก็จะกลับมา ดูอการสวดมนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็ทำให้สดมนได้ด้วยความรมู้สึกตัวนะหรือว่าขณะที่เรากำลังภาวนาอยู่นะนั่งทับสมาธิหรือว่าเดินจงกรมนะใจลอยนะนึกถึงงานเป็นห่วงเพื่อนกังวลถึงพ่อแม่ที่ป่วยตอนนั้นลืมตัวไปแล้วแต่พอนึกขึ้นมาได้ หรือเลื่อเลืลึกขึ้นได้ว่าโอ้นี่เรากําลังอภาวนาอยู่นะกําลังเดินจงกรมอยู่นะไอ้ความรลืลึกได้นี่แหละที่ทําให้จิตกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วกเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนงความรลืลึกได้เนี่ยกับความรู้ตัวเนี่ยมันเกื้อกูกมกันมากทีเดียวนยสเตช่วยทําให้เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะแต่สเตที่ว่าเนี่ย สติตัวเนี้ยที่ทําให้ไม่ลืมการไม่ลืมใจเนี่ยนะมันคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางคนที่จะเป็นคนที่จําเก่งนะเป็นคนที่มีความจําเป็นเลิศจําเบอร์โทรศัพท์จําเบอร์บัตรประชาชนหรือว่าจําข้อมูลต่างๆที่อ่านจากตําราจําปีพศใน ถ้าเราเหตุการณ์น่ดีไดนะ้จำได้ว่าในรถทวนตรีของไทยนี่ตั้งแต่คนแรกนะตัว น, นึงกับคนปัจจุบันนี้ชื่ออะไรนะนามสกุลอะไรได้เป็นในรถทวนตรีเมื่อไรเป็นกี่สมัยเนี่ยถามปู่พ่อตอบได้ปั๊บนะหรือพวกแฟนพันแทร์พวกนี้ความจำดีมาก แฟงพันแท้เกี่ยวกับสามโกกรามเกียร์ทีฟุตบอลแมนยูนะไมเคิลแจ็กสันนี่ถามว่าอัลบั้มแรกออกเมื่อไหร่นะของไมเคิลแจ็กสันนี่ตอบได้แต่ก็ไม่แปลว่าจะจะจำหรือว่าจะมีความร ะ, ะลึกได้ไวนะในเรื่องกายเรื่องใจนะ ไอ้ความจำที่พูดถึงเมื่อกี้สักครู่เนี่ยมันเป็นความจำความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวนะเรื่องของคนนั้นคนนี้นะหรือว่าวางของไว้ที่ไหนจำได้แม่นนะแต่ว่าความระลึกได้หรือว่าสติที่เราพูดถึงนะในเรื่องของการภาวนานเนี่ยมันเป็นสตินะ คนละตัวนะหรือว่าทาหน้าที่คนละอย่างสติที่เราใช้ในการทำงานหรือสติของพวกแฟนแทนแท้เนี่ยมันเป็นความรู้ด้านในเรื่องนอกตัวแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ขาดกันนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินะสัมมาสติสัมมาสตินี่เป็นสติที่ ช่วยให้เราลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจช่วยให้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะเป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆเรื่องของตัวเองล้วนๆไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะคนที่ความจําเก่งนะจำได้แม่นเนี่ยแต่ว่าอาจจะลืมกายลืมใจได้ง่ายๆนะอย่างที่เราเคยได้ยิเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่สติเฟื่องแต่ว่าลืมโน่นลืมนี่นะลืม ไม่รู้ว่ากินอาหารไปแล้วหรื อ, อยังอาหารเช้ากินหรื อ, อยังเนี่ยอย่างไอแซงหนุ่ตันนี่ที่นะเขาเพลินกับงานการมากเนี่ยคิดเรื่องทฤษฎีต่างๆจนกระทั่งจําไม่ได้ว่าที่เรากินข้าวแล้วหรื อ, อยังเนี่ยข้ า, าวเช้าเนี่ยหรือบางคนเนี่ยนั่งยืนเดินคิดเรื่องทฤษฎีนักฟิทย์คนหนึ่งชาวเยอรมันเนี่ย แต่ก็คุณคิดกันเรื่องอ่ทฤษฎีเกี่ยวกับอตอมมากอยู่ที่หมายอะก็คิดกลับมาที่บ้านก็คิดนะตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดนะกินก็คิดพอเดินไปมหาทะเลตอนที่เดินไปมหาทหรลแกก็คิดนะก็คิดได้อย่างมีสมาธิมากทีเดียวกำลังเดินอยู่เกิดสุ นะหกล้มนะลงไปนอนนะกับพื้นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิบ่งเข้าไปช่วยแต่แกก็เอามือปัดนะบอกไม่ต้องอย่ามายุ่งกับผมผมยังไม่ว่างนะไม่ว่างเลยตอนนี้นกำลังคิดอยู่นะตอนนั้นยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังกำลังนอนแผหลายเพราะว่าใจกํากำลังคุ้นคิดอยู่กับเรื่องทฤษฎีนะีอย่าง อย่างเข้มขนนะ้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองนี่ล้มลงไปและนะ้วก็เลยพอไม่รู้ตัวก็เลยไม่ไม่เดยรู้สึกหงุดหงิดนะที่คนนะ่ะมายุ่งยากับตัวเองอันนี้เราลืมตัวนะลืมะลืมตัวลืมกายอนะคนเราค น, คนทั่วไปยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ลืมบ่อยๆนะลืมกาย กินข้าวก็ไม่รู้ว่ากาลังกินเดินก็ไม่รู้ก่ากลังเดินนะยกมือสร้างจังหวนะก็บางขณะหรือหลายขณะก็ไม่รู้ว่ากลังยกนะตอนนั้นมันไม่รู้สึกแล้วไม่มีความสึกตัวทำอะไรไปก็ก็ไม่ไม่รู้ตัวนะอันนี้กเรียกว่าลืมกายได้ พอใจเนี่ยไปอีกทางแล้วตัวอยู่นี่แต่ใจไม่รู้ไปไหน น, นี่เรียกว่าลืมกายทิ้งกายไว้ปล่อยให้กายทําอะไรไปตามอัตโนมัติเนะี่ยแต่ใจนี่ไปไหนไม่รู้อันนี้พอใจมันจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยนะความโกรธก็ดีความเศร้าวความเสียใจความหมุดหมิดหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านก็ดี ถ้าไม่รู้ทำนี่ก็เรียกว่าลืมใจเั้ืนกันนะปล่อยใจไปไว้ปล่อยใจไปไหนก็ไม่รู้ทําใจตกหลนหายไปอผู้คนเนี่ยก็ปล่อยใจตกหลนหายเข้าไปในอารมณ์หายเข้าไปในความคิดเนี่ยเป็นประจำอันนี้เรียกว่าลืมใจแต่เมื่อรู้เนี่ยก็ต้องหาใจใเจอนะการภาวนานี่จะเรียกว่าเป็น การหาใจให้เจอก็ได้เนี่ยเพราะว่าใจนี่มักจะชอบหนีนะหนีไปโน่นหนีไปนี่หรือไม่ก็พัดลงหายไปพัดลงหายไปในในปลายความคิดและอารมณ์ต้องไปตามกลับมาการภาวนาการเจรเิญสติคือการหาใจให้เจอแล้วก็พากลับมา แต่ที่จริงเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้นมันไม่ต้องใช้เวลาค้นหามากคทาสติเราไวนะสติวายนี่ก็จะจะเจอนะจะหาใจเจอได้แต่ถ้าไม่ได้เจอสติเนี่ยนะหรือว่าสติไม่ไวนี่ใจมันหลงไม่นานอีเดียวหลงไปหลายเรื่องนะเจแปเรื่องนะกว่าจะกว่าจะหาเจอแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า ใหม่ๆสติเรายัางไม่คุ้นนะกับการที่วยหาใจให้เจอก็มงงุมมง า, านหลาแต่ว่าพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยนะจะคล่องนะจะรู้ทางนะจะรู้ทางนะว่าใจมันไปไหนก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะแต่บางที ไห้ตัวที่จะล่อลวงจิตใจให้หลงหายไปเนี่ยมันก็ฉลาดนะพอสติรู้ทางนะมันก็จะเปลี่ยนทางนะอย่างสมัยตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจอสติที่ว่าสนามหนเก็ชอบคิดนะถึงเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเพื่อนนะเรื่องเพื่อนรงงานบางทีก็นึกถึง เวลาที่จะไปเที่ยวนไปดูหนังนะก็ฟุ้งในเรื่องนี้แหละตอนหลังเนี่ยทําไปบ่อยๆเนี่ยนะสติก็รู้ทันพอใจเผือคิดเรื่องนี้เนี่ยก็จะรู้ทันได้ไหวนะพอรู้ทางนะมันก็เปลี่ยนนะไปคิดเรื่องอื่นนคะนนี้คิดเรื่องงานแล้วพอคิดเรื่องงานเนี่ยคิดไปได้ยาวเลย ใช้เวลานานกว่าสติมันจะรู้ทางแนละ้วเนี่ยเพราะเนี่ยชอบคิดเรื่องงานพอรู้ทางในเรื่องนี้นะมันก็แว บ, บไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องธรรมะนะเวลาหลวงพ่อเทียนแสดงธรรมหรือครูบาอาจารย์แสดงธรรมาาก็เราคิดต่อเลยนะว่าอคิดวิเคราะห์นะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคู่งเป็นแควก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะพักใหญ่เลยมากว่า กวสติจะรู้ทันนิหเนี่ยเดี๋ยวโผมาคิดเรอนีกแล้ก็เลยว่าตามออตามหาตามล่ากันอยู่อยู่อยู่เรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติของจิตนะที่มันต้องการหาอารมณ์ใหม่ๆมาเซิเนะี่ยโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้ไปเห็นรูปรสกลิ่นเสียงใหม่ๆนะ่ะอย่างเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยนะ มันจะมีรูปลดกลินเสียงแล้วก็สัมผัสใหม่ๆมาให้เราเสกนะโดยเพราะรูปเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวของรูปของภาพทางโทรทัศน์นะแล้วก็ชี้รอบตัวนะรถที่แตนสวนมาไปาสวนกันมานะอะไรๆนี่มันเคลื่อนไหวเร็วหมดมันเป็นอารมณ์ใหม่ๆเป็นรูปใหม่ๆที่จิตได้เสกเสียงก็เหมือนกันนะมันมีเสียงสารพัดเสียง ให้ให้ได้ยินทั้งวันมันทำให้จิตตื่นนะเพราะว่าถ้าเจออะไรใหม่ๆถ้าเจออะไรเก่าๆซ้ำๆเนี่ยจิตมันจะมันจะเบื่อแล้วก็มันจะไม่สนใจเวลาเราเห็นภาพอะไรที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยนะเช่นนั่งอยู่ในห้องอยู่คนเดียวแล้วมันมีแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ย ผ่านไปสักพักเนี่ยไม่ถึงอาจจะไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะหรือว่าไม่ถึงห้านาทีเนี่ยให้ภาพต่างๆที่จิตรับรู้เนี่ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปมันจะเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่จิตจะรับรู้หกเจ็ด อ, อย่างเท่านั้นแหละนในแต่ละขณะแต่ละขณะนาดบางอย่างเนี่ยมันดยู่ตอนเราต่ด ต, ตาเราแทา้ๆแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะตอนนั้นจิตไม่รับรู้ อันที่ไม่รับรู้เพราะมันเบื่อพรมันมีแต่ภาพซ้ํซาๆภามนิ่งนะแล้ถ้าเป็นยิ่งนานๆนี้ต่อไปก็จะง่วงแล้วแล้วก็จะหลับเพราะฉะ น, นั้นถ้าไม่อยากง่วงไม่อยากหลับก็ต้องหาหาอะไรใหม่ๆ ม, มาถ้ารูปมันเหมือนเดิมก็ต้องหาสิ่งใหม่อารมณ์ใหม่ด้วยการคิดเอาจินตนาการนะอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นธรรมชาตินะของของจิตที่มันคุ้นากับการที่หรือมันเสร็ จ, จติดอารมณ์ใหม่ๆพอไม่ได้อารมณ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็พอไม่เจอรูปใหม่เสียงใหม่นะกลิ่นใหม่มันก็ต้องหาของใหม่ทางอื่นแทนก็คือทางความคิดตอนนี้แหละก็จะเริ่มจินตนาการแล้วคิดโมนคิดนี่ไปเรื่อยนะถ้าคิดเรื่องนี้นะสเตมันจับทางถูกนะก็คิดต่อไปไม่ได้ก็ไปคิดเรื่องอื่น นีไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าท้อนะเราก็ทำไปต่อไปเนี่ยมันจะมันจะรู้ทางเรียกว่าทางไหนเนี่ยสติก็จะรู้แล้วก็จะหาใจเจอนะไอ้กิเลสมันจะพาจิตหลงไปไหนนะเที่ยวไปไหนนี่เดี๋ยวสติหาเจอรู้ทันตั้งแต่ ไม่กี่ก้าวที่จิตมันเริ่มเนีย้ยออกไปจิตมันเนี้ยวไปได้ได่ละลายนี่สติรู้ทันนะพาใจกลับมาก็าจะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวหรือเกิดความรู้สึกตวัวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกตัวก็จะเกิด ค, ความปร่งความเบาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจิตมันอยู่กับปัจจุบันเวลาอยู่กับปัจจุบันเนี่ย จิตไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่ที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่าจิตมันไปอยู่กับอดีตนะไปจมอยู่กับเรื่องราวนะที่เจ็บปวดที่ขัดเคืองใจหรือที่ที่ไม่พอใจหรือไม่ก็ไปนึกถึงเรื่องอนาคตที่มันไม่ถึงซึ่งทําให้เกิดความหนัก อ, อกหนักใจเกิดความวิตกกังวลนะถ้าใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์เท่าไหร่นะ ตก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนะเพราะว่าถ้าอยู่ให้เป็นเนี่ย <c oughs> ก็จะไปติดไปยึดได้ปัจจุบันขณะเนี่มันก็ไม่ใช่มีแต่มีแต่รูปมีแต่เสียงเท่านั้นนะบางทีมันเป็นเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความเจ็บความปวดความเมื่อยขึ้นมาไอ้ความปวดความเมื่อยนี่ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันเหมือนกันนะ มันเป็นของจริงนะแต่ว่าถ้าหากว่าจิตไม่ไปปักตึงอยู่กับอารมณ์นั้นเนี่ยหรือว่าจิตไม่ไปยึดมั่นในในเวทนาเนี่ยจิตมันก็ไม่ทุกข์นะเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของกายไปนะจิตก็ถ้าจิตเฝ้าดูนหรือจิตเพียงแค่รับรู้เนี่ยจิตนันไม่ทุกข์หรอกแต่ส่วนใหญ่จิตไม่ทําอย่างนั้นจิตก็จะไปปักตรึงอยู่กับเวทนา นะไปยึดมั่นว่าเป็นเป็นกูเป็นของกูเนี่ยมันปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเป็นผู้สวยเวทนาเป็นผู้เป็นเจ้าของความเจ็บความปวดเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยอตรงนี้แหละทุกเลยนะไม่ทุกแท้กายทุกใจเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้ตัวจริงๆมีความรู้ตัวจริงๆเนี่ยก็จะไม้ปล่อยใจิตเนี่ยไปไปจมอยู่กับเวทนาหรือความเจ็บปวด หรือว่าไปยึดเอาความเจ็บปวดเป็นของกายเป็นของใจนะความรู้สึกตัวมันจะไม่ทำให้จิตทำาอย่านนั้นนะมันจะไม่ปรุมตัวไม่ไม่มีโอกาศปรุมตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดได้ซ้ำนะเวลามีความปวดเกิดขึ้นความเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยทันทีเลยเนี่ยจิตมันจะไปยึดเอาความเกดความปวดนะ่เป็น ตัวกูของกูขึ้นมามันปลุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมันไม่ใช่แค่ปวดกายปวดใจด้วยทุกข์ใจอันนี้เรามีความเป็นเกิดความยึดมั่นเข้าไปแล้วนะเกิดความยึดความแบกเข้าไปแล้วต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะและสตินี่แหละมันจะช่วยทาให้ปล่อยช่วยทาให้วางได้ เพราะไม่มีสตินะเพราะหลงเพราะลืมเนี่ยนะก็จิงไปยึดเอาความทุกข์เนี่ยมาความทุกข์นี่มันไม่น่ายึดนะแต่ใจของเราเนี่ยมันชอบไปยึดเสร็จแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาเองนะเมื่อก้อนหินแล้วก้อนหินมันหนักใครๆก็รู้นะในยานที่มีสติธรรมชัญญาต็ก็ไม่มีใครไปแดกหินเล่นหรอก แต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยคนเราจิตของพวกเราเนี่ยก็เผลอไปแบ่งมันนะแบ่งมันเสร็จแล้วก็บอกว่าโอ๊ยทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินนะทําไมหินมันหนักแบบนี้นะแต่ไม่เคยถามว่าแล้วทําไมเราไปแบ่งมันนะคนมักจะนโทษหินนะว่าหินมันหนักนะจึงทําให้ทุกข์แต่ไม่เคยได้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าแล้วเราไปแบ่งหินทําไม อย่างที่เมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะหลวงพ่อชาน้ำพุ่นเนี่ยเวลาเอามือนะเวลาเจอรูเนี่ยนแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในรูถ้าไม่ถึงเนี่ยก็มักจะบอกว่าเนี่ยหลุมมันลึกนะทําไมหลุมมันลึกแบบนี้นะแต่ไม่ค่อยถามว่าเอเป็นเพราะแขนเราสั้นไปหรือเปล่านะไม่ค่อยถามนะ ในทำองเดียกันในะเวลาแบกหินแล้วรู้สึกว่ามันหนักรู้สึกว่าเหนื่อยก็มักจะพูดว่าทำไมหินมันหนักนะแต่ไม่ค่อยถามว่าแล้วทำไมเราไปแบกมันทำไมเจ้านายพูดแบบนี้ทำไมเอลูกทำอย่างนี้กับแมแ่ทำไมอาการเป็นอย่างนี้ก็ถามเนี่ยแต่ไม่ค่อยถามว่าแล้วเราไป ยึดติดถือมันไปไปเป็นบ้าเป็นหลังนะหรือว่าไปหมกมุ่นกังวลกับเรื่องเหล่านั้นกับการทํำเหล่านั้นทําไมนะถ้าว่าถามแบบนี้บ้างเนี่ยมันจะเห็นเลยนะอดที่เราทุกเนี่เพราะเรายึดนะทุกเพราะยึดนะพอแบบนี้ติดมันก็จะปล่อยได้นะพอรู้ตัวแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่คิดเอาแต่มันรู้เลยนะว่าโอ้เราทุกเพราะเรา ก็ไปยึดเอาไว้ที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยว่าขานทั้งห้าเป็นของหนั ก, นากการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงนะที่ที่เราต้องตระหนักเอาไวนะ้เวลาเราทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะทุกข์ใจเนี่ยมันริ่ดจะเกิดจากความยึดทั้งนั้นไม่ใช่เพราะเขาพูดไม่ดีกับเราไม่ใช่เพราะว่ า, างานมีปัญหา ไม่ใช่เพราะแดดร้อนนะไม่ใช่เพราะความเจ็บความปวดนะแต่เป็นเพราะใจไปยึดต่างหากถ้าว่ามีมีสตินะมันจะเห็นตรงนี้นะมันจะทําให้เกิดปัญญาว่าโอเราทุกข์เพราะไปยึดทุกข์เพราะแบกแล้วพอรู้แบบนี้มันมันวางทันทีเลยนะเหมือนกับเราไป จับของร้อนแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นของดีนะมันเป็นฐานก็แดงๆนะแต่เราคิดว่าเนะี่ยมันเป็นทองแต่พอรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ทองนี่มันฐานร้อนเนี่ยมันปล่อยเลยนะผู้คนที่ยังหลงหลในทองในเพชรเนี่ยพ่อหมอไม่เห็นความจริงว่าแท้จริงเนี่ยตัวมันเนี่ยไอ้จริงเหล่านี้มันเป็น มันเป็นเป็นเหมือนฐานก้อน แ, นงแบงๆนะทางภาษาพันเรียกว่าตัวทุกข์นะว่าโดยยาอุปทานขันนั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานขันก็คือขันที่ไปยึดเนะี่ยมันเป็นตัวทุกข์คือว่าถ้าไปยึดถือมันนะมันก็จะทำร้ายเรานะทุกข์นี่ความหมายนั่คือการ มายถึงความบีบคั้นนทุกสิ่งที่อาจเป็นทุกข์กเพราะามันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นของเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดดับไปตลอดเวลาแต่พอไปยึดมันเข้านะมันก็บีบคั้นเรา แ, แทนนะมันไม่ใช่ถูกบีบคั้นด้วยสิ่งต่างๆเท่านั้นนะแต่มันยังบีบคั้นเราได้ถ้าไปยึดมันก็คือทําให้ทุกข์นั่นแหละพี่ถ้าเกิดว่าเห็นความจริงนะมันก็จะวางได้ เห็นความจริงรงนี้ต้องใช้ปัญญานะแต่ว่าปัญญาก็เกิดขึ้นจากสตินะเป็นเบื้องต้นสติที่รู้ทันแล้วก็เห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่แรกเห็นของจริงเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาหรือดูไปเรื่อยๆก็พบอ่าว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ตรงนี้แหละที่มัน ทำให้เกิดปัญญาและทำให้ปล่อยวางได้แต่เราไปไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันทำให้เราที่มันชอบขโมยใจเราไปหรือว่าชับล่อหลอกใจเราจนเกิดภาวะที่เราลืมกายลืมใจถ้าเราหาใจให้เจออยู่ บ, บ่อยๆหาใจให้เจอไวๆให้กลับมาอยู่กันด้ว็ตัวเนี่ย ตรงนี้มันช่วยทำให้เกิดการปล่อยวางได้เป็นขณะขณะปล่อยวางเสร็เดี๋ยวไปยึดใหม่ไม่เป็นไรพอรู้ตัวปุ๊บปล่อยวางอีกทีเผลอปุ๊บมันไปยึดอีกเนีะเลยเป็นนี้แหละแต่ก็ทําไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้นานขึ้นอนการที่จะไปเวยไปยึดก็จะค่อยๆอทิ้งระยะห่างนส่วนนี้มันก็เท่า เปิดโอกาสให้ใจเราสบายจเสใจเราสงบนะซึ่งก็ช่วยทำให้เกิดเรี่ยวแรงในการทำงานและทำให้รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยนะผ่อนคลายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอาลัยพระพุทธ น, นิรันดะร์อากาศ